เรื่องฉันกระเทียมสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคห้อมล้อมด้วยบริษัทหมู่ใหญ่ประทับนั่งแสดงธรรมอยู่ภิกษุรูปหนึ่งฉันกระเทียมท่านคิดว่าภิกษุทั้งหลายอย่าได้กลิ่นกระเทียม จึงนั่งณที่สมควรด้านหนึ่งพระผู้มีพระภาคทอดพระเนตรเห็นภิกษุนั้นผู้นั่งณที่สมควรด้านหนึ่งจึงตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายทําไมภิกษุนั้นจึงนั่งณที่สมควรด้านหนึ่งเล่าภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า ภิกษุนั้นฉันกระเทียมแล้วคิดว่าภิกษุทั้งหลายอย่าได้กลิ่นกระเทียมจึงนั่งหน้าที่สมควรด้านหนึ่งพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายอาหารที่ภิกษุฉันแล้วทําให้เหินห่างจากธรรมกถาเช่นนี้ควรฉันหรือ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าไม่ควรฉันพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงฉันกระเทียมรูปใดฉันต้องอาบัตทุกกฎสมัยนั้นท่านพระสารีบุตร อ า, าพาธเป็นลมเสียดท้องท่านพระมหาโมกขลานะเข้าไปหาแล้วถามว่าท่านสารีบุตรเมื่อก่อนท่านเป็นลมเสียท้องหายจากโรคเพราะฉันอะไรท่านพระสารีบุตรตอบว่าเพราะฉันกระเทียมภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ